พระธรรมเทศนาแผ่นที่70ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มีนาคม2558มีชื่อเรื่องว่าความเป็นมาวัดป่านาคำน้อยตอนที่สอง วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานฝนรู้สึกตกป ล, ปลาย <c oughs> ฝนไม่มากเมื่อวาน <c oughs> ตก <c oughs> พูดภาษาแบบชาวบ้านว่าตกพอดินพอดินลายดิน ยังไม่ถึงกับชุ่มมันพอลายๆเป็นล่องเป็นเมน็ดฝนท่างเองเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานหลวงพ่อได้เล่าประวัติของวัดป่านาคนาคำน้อยให้ลูกหลานฟัง <c oughs> เพื่อทบทวนความจำว่าการเป็นมาของวัดของเรา ไม่ใช่เป็นมาเพราะความ <c oughs> ฟุ่งเฟือยเหลือเฟือได้มาด้ว่าสร้างขึ้นมาแบบไม่มีอะไรที่หลวงพ่อพูดให้ฟังว่าได้กวาดใบไม้นอนอยู่ในพื้นดินเป็นสองอาทิตย์ในช่วงนั้นที่กลัวที่สุด ก็คือกลัวมแมลงป่องกับตะขาบในขณะที่นอนกับพื้นดินเอาใบไม้มากวาดๆเป็นกองแล้วเอาเสื่อปูทับจากนั้นก็กางมุง้งพอกางมุ้งเสร็จแล้วก่อนจะนอนเราก็ต้องเอามุงนะ้งเม้นเข้าไปในใต้เสือ่อคือให้นอนทับเสือ่อคือกางมุ้งไม่สูง กลัวที่สุดก็คือกลัวตะขาบกับแมลงป่องแต่งูไม่ค่อยเข้ามาเรารู้นิสัยของงูทางงูถ้าเราแปดปัดกวาดติน่นเตียนแล้วก็งูจะไม่เข้ามาแต่ตะขาบก็บแมลงป่องนีไปยย้เยื้ไปหมดเพราะนั้นเรากลัวมากถ้าแมลงป่องแมลงป่อง หรือตะขาบกัดกลางคืนแล้วเราจะทํำยังไงอยู่คนเดียวอเราต้องคิดหลบความรอบครอบไว้นั่นแหละเพอเผยยังกลัวเสืออีกต่างหากแต่มันเสือก็เสือไม่มีหรอกสมัยนั้นแต่มันเสือกินหมาน่นมันมีเสือดําเสือตะกูดเสือเขาเรียกเสือตะกูดเสือกินหมาน่ะเพอหลวงพ่อเคยอยู่กับหลวงปู่จ้ำ หลวงปู่จามก็พูดพูดให้ฟังหลวงพ่อก็นึกเสียวๆมือนกันนะหลวงปู่จามท่านว่าหลวงปู่ชิมพุทธาจาโรโอถ้ำพระป่องที่เป็นเพื่อนกันกับหลวงปู่จามรุ่นพี่น้อยๆท่านว่าหลวงปู่ชิมเนี่ยไปภาวนาเข้าไปอยู่ในปา่าเนี่ยป่าเนี่ยมาอย่างที่หลวงพ่อมาเนะี่ยมาพักภาวนาในปา่าแต่มันมีเสือตะกุทํานาเสือกินหมานะ่ะ ตอนนี้เวลาคนไปที่ไหนเนี่ยขนาดพวกนายพลทั้งหลายแลยเนี่ยเวลากองไฟเวลานอนกองไฟเนี่ยให้หมาเขาอยู่ตรงกลางนะถ้าไม่งั้นเสือกินเหมือนทันว่านะอมันจะมาร้อมๆ ม, ม, มองมอ ง, มองพอสมัยก่อนไม่มีไฟฉายพอมืดค่าแล้วก็มีแต่ไฟเท่านะั้นไฟกองไฟ น, ะนี่นแหละเสือมันจะร้อมลอ ม, อ ม, ามาก็มากะตะโกดครบ คบหมาแลว้วนะพอคาบหมาได้ก็วิ่งเลยนะแต่นี้ก็หลวงปู่ชิมแล้วก็ไปกลางกดอยู่ในป่านะอย่างที่หลวงพ่อนอนเนะี่ยแต่นี้ก็เสือเสือมันก็มาเนะี่ยมันมาคิดว่าคนอยู่แถ บ, แถบนี้นะ่ะคงจะมีหมานะ เสือมันก็เข้ามาด่อมด้อมด้อมด้อมดอมมันว่ามีจะมีหมาไหมลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้มันก็เข้ามาใกล้ๆหลวงปูท่ท่านก็เอาผ้าหม่มใช่ไหมละ่ะตีนมันก็บเป็นดนกับมุงม้งมุ้งเสือมก็มองไมเ่เห็นเห็นแต่หยุกหยักหยุกยักแค่มันก็คงจะว่าหมาใช่ไหอตีนหยุกหยั ก, ยก คนนอนเนี่ยบางทีมันก็ตีนมันก็ตีนไหวฮะกระดุกกระเด็กฮะพอเสือมันคิดว่าเป็นหมามันก็ตะปบเลยใช่ไหมเอาขาหน้ามันตะปบเลยอตะปบตีนของหลวงปูน่นะหลวงปู่ก็ร้องอากแล้วใช่ไหอพอร้องอาก็ว่ามันก็ว่าไม่ใช่หมามันคนเนี่ยมันก็เพเสือมันก็เผ่นอีกเหมือนกันนะอพอมันกลัวคนใช่ไหมคนลุกขึ้นมาเนี่ย โอ้หลวงพ่อว่าโอ้ยางดีมันยังตบทางเท้าใช่ไหมถ้ามันตบทางหน้าผากาเพราะมันจะเล็บมาแต่บปบใส่ตาเนี่ยตาบอดแน่ๆเนะอออันนี้มันตบทางเท้าเน่ยมึงตบป๊บขึ้นมาแบบจะดุ้งขึ้นมานแบบนะเสือมันก็เลยเพ่นนลยมันไม่ใช่หมาฮช <c oughs> แต่แต่แล็บมันก็ตบดูซะก่อนเพราะว่า เท้าของเรามันเป็นดุนกับมุยงยุ่ยกยงอยากยงยากยงอยากเนะนี่ยเนี่ยแหละหลวงพ่อได้ยินตําราหลวงปู่จามที่หลวงอา พ, พูดให้ฟังอย่างนั้นหลวงพ่อเอ้เอนอนกันนึกกลัวเหมือนกันเพราะมันมีเสือแถบแถบนี่ยังมีอยู่เลยสมนะนะัยนั้นอ่ะเสือตะกูดเสือกินหมาเน่ะแต่นานๆมันจะโผล่มาที่หนึ่งครว่าแต่ขนาดที่มาสร้างวัดปีใหม่ๆท่านนิพนกับท่านสดนี่ย ก็บอกว่าเนี่ยอยู่ทางกลางวัดเนี่ยหมีมันยังมาทำรังมาออกมาออกลูกอยู่ที่กลางวัด <c oughs> สมัยนั้ น, น ย, ยังมียังมีหมูป่าไม่ต้องพูดถึงละหมูป่าแต่เก้งไม่ต้องพูดถึงมีแต่กวางเริมหมดแต่ก็ได้ได้ยินอยู่ทูกขาเพราะว่ากวางนะมีอยู่ได้หลวงพอ่อแต่ไม่ค่อยเข้ามาละห่างห่างแต่วันนี้ มันมาเคยมากินต้นหมักต้องนี่แหละพวกกว้างนี่แหละอันนี้ก็คือที่มาอยู่วัดหลวงพ่อจึงบอกให้พระลูกพระหลานาาศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อมาอยู่ใหม่ๆไม่ใช่มาอยู่ด้วยความหรูหราโออาฮ์เพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ลืมตัวเพราะหลวงปู่ลาศสอนออสมัยคอน้ะ แบบมาแบบทุกยากลำบากแบบชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตพักกรรมฐานอยู่ด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยความสันโดษเพราะนั้นถึงจะมีมาในยุคนี้เป็นยุคที่หรูหราโอ้อ้าฟุ่มเฟือยแต่หลวงพ่อก็ยังระลึกถึงอดีตที่เคยทุกยากลำบากมาเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อจะสอนพระสรเนนหลวงพ่อจะลืมตัวนะ ไปอยู่นะสถานที่ใดเมื่อเรามีขึ้นมาอย่างจนงลงพ่อไปอยู่กับองค์หลวงตานะอยู่ที่วัดปาบ้านตาดท่านก็ต่อไมก่อนทนะ่านก็ลำบากไม่แพ้เราที่ท่านอยู่เราไปสอบถามคุณแม่ชีแก้วเลยสมัยหมอนหมอนหนุนหัวนี่นะก็ยังหาหมอน ที่เป็นยัดนุ่นก็ยังไม่มีคุณมีคุณแม่ชีแก้วนะ่ยไปหาฟางมาแล้วก็เอาผ้าดิบผ้าได้ดิบมาเย็บเสจแล้วเอาฟางยัดนะยัดเข้าไปให้คุบให้กูบาได้นอนหนุนหัวนะ่ยขนาดนั้นละ่ะสมัยมาสร้างวัดป่าบ้านตาลใหม่คุณแม่ชีแก้วพูดให้ฟังค่นะแล้วก็เนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนทําอาหารถวายพระ แล้วจากนั้นก็ดูแลทำความสะอาดทำทางเดินยงกลมทำถนนแม่ชีนะสองสามคนทำถนนทำทางให้พระเดินนะคู่าน้นครูบาอาจารย์ท่านไปอยู่นัสถานที่ใดท่านไม่ได้ปลับปรับขึ้นม า, าสร้างนู้นสร้างนี้ท่านไม่ใช่นะคือสร้างสร้างตัวของท่านก่อน คือสร้างสร้างจิตสร้างใจของท่านก่อนอจนเป็นที่ยอมรับในตัวของท่านจากนั้นก็สร้างชุมชนผู้ที่มาเกี่ยวข้องปลูกศรัทธาผู้ที่มาเกี่ยวข้องว่าครูบาของเราพระของเราเนี่ยไม่ใช่พระปลอม เ, อเป็นพระมุ่งอัดมุ่งอัดมุ่งรร ม, มุ่งมักผลนิพพานถึงจะไม่ถึงมักผลนิพพานก็เถอะก็อยู่ในศีลในธรรม อยู่ในพระธรรมพินัยอยู่ในหลักธรรมคําสอนตามแถวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกคนก็มีหูมีตาทั้งนั้นแหละเพราะนั้นหลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อวานนี่ครัเพื่อเป็นการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไม่ให้พวกเราลืมตัวไปอยู่นสถานที่ใดถึงจะออกถึงจะออกไปจากวัดหลวงพ่อก็เถอะนะถึงจะไปสร้างวัดขึ้นมาใหม่ก็ อย่าลืมตัวนี่สรุปแล้วแต่ถึงยังไงเมื่อหลวงพ่อมาอยู่นัชธานสถานที่แห่งนี้หลวงตาเองท่านก็ไม่ใช่ว่าท่านจะมายื่นมือเข้ามาทัานทีไม่ใช่หลวงพ่ออยู่ตั้งหลายปีออยู่ตั้งปีสองห้าปีสองหกเป็นปีกว่านะ่ะท่านก็ยังมาเข้ามาดูแต่ขนาดที่ท่านมาดูสมัยนั้น่ะ ห้วยลางของเราเนี่ยใช้ไม้ใช้ไม้พวไม้มันยาวนะแต่สะพานเดี๋ยวนี้ก็ยี่สิบห้าเมตรนะลูกหลานนะความยาวของสะพานนะแต่สมัยนะั้นไม้ของเราเนะี่ยไม้ในโดงของเรานะเนี่ยมันเป็นสิบยี่สิบเมตรเราก็เลียงกันพอเลียงกันแล้วก็พวกป่าไม้นะก็ามาทำให้แล้วก็เอาลวดสลิงมาขันแล้วก็รถแท็กเตอร์ ของพวกที่มาตัดไม้ในป่าเนี่ยเขามาลากให้แล้วก็มาเลียงกันแล้วก็มัดมัดต้นไม้มัดตน้ดตนไม้ใส่กันแล้วก็เป็นสะานสมัยรุนหลวงตายังมาอยู่นะหลวงตาท่านยังมาเอารถเข้ามาจะมาเข้าเข้ามาข้างในรลถงตาหลวงพ่อจำไม่ลืมสมัยนะั้นท่านถวายปัจจัย ท่านมอบปัจจัยให้วัดของเราถ้าไกลเป็นภาพป่าย่อมๆครั้งแรกะลวงตาให้มาหกหมื่นหลวงพ่อยังจำไม่ลืมนะคณะทาร์ญาตโ ย, ยมลูกลานให้เป็นครั้งแรกนะแต่หลวงพ่อก็นันได้มาหลวงพ่อก็พยายามดูแลบริหารบริหารวัดให้ดีที่สุดจากนั้นท่านก็นาน พอจากนั้นก็หายไปพอที่หายไปก็คือนะ่คือตอนสร้างศาลาหลังนี้นะส ร, สร้างสาร้างศาลาหลังนี้เนะี่ยพอสร้างขึ้นมาเนะี่ยก่อนที่จะสร้างหลวงพ่อก็ให้เท่าแก่กุกหงุ่นท่านันชัยไปกราบเรียนองค์หลวงตาเพราะว่าก่อนที่เราจะสร้างอะไรทำอะไรเนะี่ยเราต้องไปกราบเรียนท่านนะอย่างที่สะพานก็เหมือนกัน สะพานสะพานคอนกรีตถือว่า25่สิบห้าเมตรเพราะหลวงพ่อพ่อสร้างวัดป่านาคำน้อยอันดับแรกลองพ่อจะขยายพื้นที่ซะก่อนแปลกแตกต่างกว่าคนทั้งหลายนะหลวงพ่อสร้างวัดนะหลวงพ่อจะมีคนถวายมีคนมาชาวบ้านเขาตอแรกเขาก็ถางป่าถางป่าเป็นใกล้เข้าโพดนิะ์สมัยนั้นมันสัมปะหลังยังไม่มีนะ ยังไม่ยังไม่ฮิตนะไม่จะเป็นไร่ข้าวโพดก่อนนะพอถางไร่ข้าวโพดปีหนึ่งปีสองพอปีสามญ้าคาเกิดนะพอหญ้าเคอะคาเกิดไม่มีรถนะ่ะรถไถไม่มีในสมัยนะั้นนะมีแต่จอบเนทะ่านั้นมันขุดยญ้าคาไม่ไหวเนทะ่าไหร่ผลที่เออพอยญาคาปลูกข้าวโพดไม่ขึ้นก็ขายเท่านะั้นเท่านั้นะขายลรละห้าสิบาทมีร้อยบาทมีร้อยห้าสิบบาทมี ไปว่าไร่ร้อยละไร่และสองร้อยนี่แพงมากแล้วมอันไปว่าไร่ละร้อยกว่าบาทออสมัยนั้นแต่หลวงพ่อก็บอกอหลวงพ่อไม่ได้ซื้อซื้อเอกสารสิทธิ์นะซื้อสิทธิ์ของเขาคือชาวบ้านเขามาถางเขามาทําเขาครอบครองแล้วนะอแต่ป่าไม้เขาก็มาพูดนะเด้ยวท่านอาจารย์เอไปซื้อจะไงไปซื้อที่ดินของเขา มันเป็นที่ดินของป่าสงวนนะ่ะอตามให้จริงเขาน่าจะให้เลยเอยไม่พูดอย่างนั้นได้ยังไงเขาครอบครองอนะ่ะไปพูดดิสิไปเอาสิถ้าไปเอาแล้วกันนะ่ะมันต้องใส่เสื้อเกาะทั้งตัวเลยนะสวมทั้งหัวด้วยนะ่ะฮะเดี๋ยวปืนลูกซองก็จะยิงหัวเอานะ่ะเราซื้อสิทธิ์ของเขานะ่ะไม่ใช่ซื้ออย่างอื่นนะอถ้าเราไปซื้อว่าเป็นป่าสงวนอย่างนั้นไม่ได้อเราซื้อสิทธิ์ของเขา เขาขครอบครองมาก่อนแล้ว เ, เราก็ให้สิทธิ์ของเขาเมื่อให้สิทธิ์เขาเขาก็ถอยออกไปพ อ, อป <c oughs> ซื้อเสร็จแล้วโคละหานสิบไร่พังยี่สิบไร่สามสิบไร่สิบข้อไร่เสร็จแล้วก็ปักหลักปักหลักทำเป็นร้วเป็นแนวเอาไว้เอาผู้ยาบ้านกำนันเอาผู้ยาบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มามาดูเป็นสกีพยาน เ, เขาก็ซื้อสัตว์นะไม่ใช่เขาไม่ซื้อสัตว์ให้ชม เศร้าป่านะให้ก็คือคือให้ขายก็คือขายเนะ่ยเขาจะไม่ตุกติกนะไม่หัวหมอเนะี่ยเขาซื้อสัตว์จากนั้นเราก็ซื้อขยับออกไปขยับออกขยับออกขยับออ ก, ออกเสร็จแล้วเออน่าจะเพียงพอพอวัดป่าเนี่ยเราก็คิดว่านะไปเห็นวัดป่าอย่างวัดหลวงปู่จามแล้วก็วัดแคบที่ห้วยสายมาเห็นวัดหลวงตามหาบวญ 160ร้อยหกสิบไร่เอออันนี้วัดนี่กว้างฮะหลวงพ่อก็เลยวัดของเราเนี่น่าจะกว้างเพราะวัดกว้างเรารู้สึกว่าออมันเสียงมันสงบมันเป็นที่หลีกเล่นหาภาวนาที่ไหนก็ได้ถ้าวัดมันแคบนะ่ะไปที่ไหนก็ชนกันไปชนกันมาเพราะเราจะมีวัด <c oughs> เราจะมีวัดทั้งทีเนี่ยเราควรจะมีเป็นวัดกว้างนะนะคิดในใจนะ จากนั้นก็ขยายออกขยายออกเออพอละทีนี้วะแต่นี้โยมเขาก็ถามว่าในวัดของท่านที่ท่านมามาอยู่นะ่ะท่านจะทำอะไรก่อนนะปีมาปีสนะองห้าอาธมาก็บอกหลวงพ่อก็บอกว่าเออคิดจะทำรั้วก่อนอนะยังไงก็ให้มีรั้วรอบขอบชิดซะก่อนก่อนที่จะทำอะไรข้างในไม่ใช่ปลุกปัปปบนขึ้นมาสร้างศาลา ก็สร้างศาลาที่ดินกกขึ้นเลยเพราะว่ามีศาลาขึ้นมาแล้วเอผลอๆเกิดคนนั่งขยับเข้ามาคนนี้ขยับเข้ามาพลที่สุดได้แต่ศาลาที่ดินชอบ้านเบียดบังเข้ามาขยับเข้าม า, า, า, อาเออไม่ได้เราต้องกั้นที่ดินไว้ก่อนนะหลวงพ่อก็ทํำลว้วนลวดน้ำนะทํำลว้วนลวดน้ อ, อขยับไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันเป็นที่พอใจแลยจ้ะพอเสร็จลว้วนลว ด, ลวดน้ํา ه, เขาก็ถวายปัจจั ย, ยอะไรหลวงพ่อจะทําอะไรอีกท่านอาจารย์จะทําอะไรอีกเออจะทําสะพานเขากดหาแบบแปลนมาให้ก็ทําสะพานพอทําสะพานปีสองเจ็ดนั้นลูกหลานนะแต่เริ่มตั้งแต่ปีสองหกมาอยู่ปีสองห้าใช่ไหมละ่ะพอสองห้าปีสองห้าไปปลา ย, ป, า ย, ป, ายปีสองหกเนะี่ยทำทำรัว้วนะปลายปีสองหกจะเข้าปี 27, นะสองเจ็ดเนี่ยทําสะพานนะ พอเขาถวายปัจจัยมาเด่เฮ้เราไม่เคยได้เงินล้านนะนั่นแหละได้เงินล้านเป็นครั้งแรกนะลูกหลานนะเพราะว่าคุณหมอกับคณะญาติของท่านนะเด็กคุณหมอที่ไปอยู่กับคุณแม่ชีแก้วนะท่านว่าท่านเห็นว่าจะมาสร้างวัดทีนี่ท่านก็ อ, อท่านอาจารย์จะมาสร้างวัดเดี๋ยวรวบรวมปัจจัยถวายเขาก็ออกแบบแปลนมาว่า ประมาณล้า น, ล, านล้านเกือบล้าน 2, นะสองแสนสภานของเราเนี่ยนะคุณหมอก็ถวายมาเลยให้ครบมันเป็นเช็คมาเลยแตเนี้ยเราก็เห็นเช็คเราไม่เคยเห็นเงินล้านเลยโอ้เราจะทํำยังไงนาะเอาเงินเนี่ยแต่เนี่ยเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือยังไงเนาะบริหารการเงินเนี่ยนะหลวงพ่อก็เลยเช็คเข้าไปกัน่ะไปกราบหลงตาแล้ว หลวงตาเนี่ยเป็นพ่อใช่ต้องปรึกษาพ่อซะก่อนเขาไปกราบท่านข อ, อการพ่อแม่กูจานเขาถวายปัจจัยที่ว่าเขาจะสร้างสะพานข้ามห้วยนั่นนะครับผมนี่ถวายมาล้านประมาณล้านหนึ่งแสนข้ล้านสองเนี่ยงนะพ่อจะไม่ชัดนะแล้วปัจจัยเช็คกันนี้น่จะทำยังไงดีน้ะครับผมกระผมจะมอบให้พ่อแม่กุจานแล้วกระผมจะมาเบิอกเอา เป็นครั้งข่าวหรือจะทํำยังไงดีหนอกับผมหรือว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารการเงินดีไหมกับผมหรือจะเอายังไงนี่ในการบริหารเรื่องเงินนีนกับผมอหลวงพ่อก็เข้าไปกราบเรียนท่านท่านก็นั่งหลวงพ่อยังจําไม่ลืมท่านนั่งสั่นขายกขาขึ้นข้างหนึ่งท่านลุกตาท่านจะใช้แนวความคิดนะ ท่านจะยกขาขึ้นข้างหนึ่งยกเข่าขึ้นข้างหนึ่งจากนั้นท่านก็มองขึ้นฟ้านะ่ะท่านเคี้ยวหมากใช่ไหมล่ะอพอเคี้ยวหมากแล้วก็มองขึ้นฟ้าแล้วก็เอายายาเส้น่ะออมาสีสีสี ส, ส, สีที่ฟันของท่านก็มองมองขึ้นฟ้าเลยให้เข้าใช้ความคิดนะอ่ะเสร็จแล้วท่านก็มองลงมาอืม เรื่องการเงินในสําคัญนะท่นว่านเรื่องการเงินในสําคัญนะถ้าท่านไม่เชื่อในท่านนะท่านอย่าแตกนะท่านอย่ามายุ่งกับการเงินนะแต่ถ้าทางว่าท่านมอบให้คนอื่นนั่นแหละตัวยุ่งคนนั้นออกอย่างนี้คนนี้ออกอย่างนี้มันเรื่องยุ่งทั้งนั้นเรื่องเงินเลยนะถ้าท่านไม่เชื่อท่านท่านอย่าอย่าท่านอย่ายุ่ง ท่านปฏิเสธไปเลยไม่เอ า, ถ, าเอถ้าเชื่อถ้าเชื่อชัท่านเชื่อในท่านแล้วนะท่านจัดการเลยมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่กับท่านเท่านะ้เข้าใจไหมอือแล้วอยากให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในเงินนะเข้าใจไหมยอย่าให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ในเงินเข้าใจไหมเราก็ปนนมมือใส่หัวนี่คลับผมอ่า เราก็บอกเลยแต่นี่ยถ้าเราไม่เชื่อเราแล้วใครจะเชื่อเราเราต้องเชื่อเร า, เ, าเราเท่านั้นเนี่ยจะต้องทำตนให้ซื่อสัตย์ต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซื่อสัตย์ต่อศีลและธรรมถ้าเราไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วใครจะไปคนซื่อสัตย์กับเราเอา้าวรับตั้งแต่บันนั้นมาหลวงพ่อเปิดบัญชีกยัด อันนั้นเข้าไปเลยบริหารเลยแต่เนี่ยนี่น่แหละหลวงพ่อทําอะไรหลวงพ่อเรียนกับพ่อคอกัอบครูนะอหลวงพ่อยังจําไม่ลืมเลยตั้งนั้งงนสามสิบกว่าปีแล้หละที่ไปกาบเรียนหลวงองหลวงตา เ, เรื่องการบริหารเรื่องการเงินอหลวงตาบอกเลยเอแต่หลวงตาก็อย่างนั้นจริงๆเอท่านก็ไม่เคยมอบมอบพระกับใครเพราะมันเรื่องตัวนี้มันเรื่องออันตรายทำไม ท่านรู้มันมีมากตะเลงยิ่งจุ้งเยิงวุ่นวายทั้งหมดะอันนี้เงินปัจจัยเนี่ยเขามาถวายเราถวายพระถ้าไม่เชื่อเราจะมาถวายทําไมถ้าไม่เชื่อในเราเขาจะมาถวายทําไมอย่ามาถวายถ้าเชื่อในเราแล้วอืออเอาออกมาเราจะบริหารให้ดีที่สุดให้เป็นธรรมที่สุดให้ถูกต้องเป็นที่สุดนอท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยแเราหลวงพ่อได้ฟังแล้วอืมใช่หลวงตาในพูดถูก เราไม่ได้บวชมาเพื่อหวังเงินหวังทองเนะเราไม่ได้มุ่งหวังโลกโหโมกะนะเนะี่ยได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ใช้โดยเป็นธรรมถ้าไม่ไม่มีใครไม่มีศรัทธาแล้วจะามาถวายทําไมอย่าเอามาถวายนระาไปเทิร์นไม่ต้องการจากคนที่ไม่มีศรนะัทธาถ้าคนมีศรัทธาแล้วก็เออมองเลยแล้วอเออครูบาอาจารย์เนี่ยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่มีมนทินไม่มีโทษเออก็อยู่ด้วยกันมานาน จากนั้นเรากนะ็ใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องคิดให้ดีซะก่อนก่อนที่จะใช้จะุกปัจจัยเพราะผู้ประจุปัจจัยที่ได้มานะเขาจบแล้วจบอีกอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกก่อนที่จะมาถวายพระ น, ะนี่แหละหลวงตาท่านก็ให้คำแนะนาหลวงพ่อนะจากนั้นหลวงตาก็มาบ่อ ย, อยมาบ่อยบ่อยมากนะจากนั้นท่านก็มาเห็น พอจะพานอะไรเสร็จแล้วรั้วก็เสร็จแล้วท่านก็มองเข้ามาครั้งหนึ่งหลวงพ่อไม่อยู่หลงพ่อไปทุระใช่ท่านก็เอ๊แต่มาครั้งที่สองอีกหลวงพ่อก็ไม่อยู่อีกวันนั้นนะ่ะบังเอิญยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอมาครั้งที่สามแต่นะหลวงพ่อไม่อยู่เอ๊ทำอินเนี่ยมันนักมันมันเป็นนักธุรกิจธุรการซะแล้วนี่นะ มันไม่อยู่วัดใช่ล้วเนี่ยมันทำไม่วะฮะบอกทำอินน้วยนะไปบอกไปหาเรามันทำไมมันทำไมไม่อยู่วัดวะมาเป็นครั้งที่สองที่สามตอนนีน้นะแต่เราก็บังเอิญทุกครั้งเหมือนกันที่หลงตามาเลยเราก็ไม่อยู่แต่ตามจริงเราก็อยู่ทุกวันทุกวั น, นแต่วันหลงตามาปัดเราปัดไม่ยูเนี่ยเอ้ยคิดว่าเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ออกไปเท่าไหร่นะเออแต่ว่าหลงตามาเนี่ย ไม่เจอเราเราได้ยินคำสั่งอย่างนั้นเราก็รีบปีเข้าไปเลยล่ะโอ้โหเหมือนเรื่องอะไรเนาะที่นี้นะเหมือนกับหมามันกลัวเสืออยู่แล้วใช่ไหมคอยหมอบขานเข้าไปพอเข้าไปถึงเนี่ยทอินเนีเ่ยเราไปหาที่วัดสองสามครั้งแล้วนะท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจทุรการไปแล้วนั่นเนี่ อ, อมันเป็นยังไงมันออกไปนอกวัดบ่อยเกินไปแล้วนี่นะเขาะ้าใจไหม เราไปเนี่ยสองครั้งสามครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยนะเราจะถามว่าเนี่ยวัดของท่านอะมันกว้างเราคิดว่าท่านจะทำไหมกำแพงอนะแต่เรื่องจะสร้างโบสถเ์เราไม่ให้นะสร้างโบสถ์ขึ้นมาหรูหราโออาเยสร้างไปทำไมสร้างเสร็จแล้วราคายี่สบามสิบล้านน่ พอสร้างขึ้นมาจะมีตะขังขังพระพุทธโูกใหญ่ไวในในโบสถในโบสถ์นะปีหนึ่งจะได้ทําสังฆกรรมครั้งสองครั้งมันไม่คุ้มค่ากันสร้างมาเพื่ออวดโลก เ, เพื่อเบงว่าตัวเองมีบ ร, รมมนะีบรมมีขี้หมาอะไรเนะี่ยถ้าทำอย่างนั้นนะเราไม่ให้แต่ถ้ารักทากําแพงนะเออเราเห็นด้วยเพราะเหตุไรเพราะอันหนึ่งคือรักคือรักษาป่าอันที่สองก็คือ คนที่ไม่คนมิจฉาชีพนะถ้าว่าไม่มีเจตนาร้ายจริงๆคงจะไม่ปีนกำแพงเข้ามาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากำแพงเนี่ยจะเกิดประโยชน์ถ้าเมื่อท่านมียังอยู่นะ่ะคนรู้จักท่านมากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนรู้จักท่านเขาก็ไม่กล้าทําอะไรแต่เมื่อท่านไม่มีะนะ่ะเมื่อท่านตายไปแล้วนะ่ะท่านไม่มีนะ่ะองค์อื่นอยู่ต่อไปเนะี่ย คนชาวบ้านเขานี่ยเขาจะลุกเข้ามาอันดับแรกเขาจะมายิงสัตว์ก่อนนะพอยิงสัตว์พระเขาล้ำคานผะมพอยิงสัตว์ไม่บอกเขาก็ไม่ฟังเพราะตัวเองไม่มีวาสนานะ่ยพระก็น้อยอีกต่างหากนะพอยิงพัดเข้ามาตัวเองก็ลําคาญนะพระก็หนีเนะี่ะพอหนีจากนั้นเขาก็มาตัดต้นไม้เลยแนตะ่ะพอตัดต้นไม้เขาเกิดแย่งที่วัดเลยแนตะ่เนี่ยนี่แหละมันจะเป็นขั้นตอนอย่างงั้นนะวัดมันจะหมดนะเพราะนั้น เราเห็นว่าวัดขนาดนี้แล้วก็ควรจะทำกำแพงสะกกันเอาไว้แต่คนทั้งหลายเขาคงจะบอกว่าทำทากำแพงนะ่ะ เ, เสียเงินแต่ก็จริงในช่วงนี้มันเสียเงินแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้านะ่ะที่ว่ากำแพงราคาแพงนะ่ะกับ ธรรมชาติติ ว, วต้นไม้ในวัดน่นะมันจะมันจะเทียบกันไม่ติดแต่กําแพงน่ยกําแพงนจิบจ้อยแต่เดี๋ยวนี้กําแพงมันจะแพงแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้านกําแพงเนี่ยถูกทรัพยากรในวัดเนี่อมันจะมากกว่าเนี่ยะเรามองถึงขนาดนั้นนะแต่เพาะการทำการให้เงินกําแพงกับท่านเนี่ยไม่ใช่เราให้ท่านนะเราให้พระพุทธศาสนา ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเนะี่ยโรงตาท่านพูดอย่างนั้นอีกนะเออคือสรุปก็คือไม่ให้เราลืมตัวเนอะไม่ใช่ว่าเราท่านจะสร้างกำแพงให้เลยตัวเองก็รู้เออดังจมูกเออหลวงปู่ลาวจมูกพองแวบพองแวบเบางทีก็แบบดีอกดีใจไม่ใช่ท่านบอกนะเราไม่ให้ใช่ไม่ใช่ให้ท่านนะเราให้แผ่นดินเราให้กับพระพุทธศาสนาอ่าเพรานท่าน จะเอาไหมเราก็ยกมือทั่วหัวคับผมถ้าพ่อแม่คูว่าถ้าพ่อแม่คูอาจารยให้ทําแล้วก็รับกับผ ม, มเราก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันทำอินเนี่ยเรื่องก่อสร้างน่ถ้าบอกให้อะไรมันกระโดดทันทีนะหล ว, ว, ว, วงต า, ท, าท่านยังพูดอย่างนั้นอีกกว่าเงี้ยนะไอ้ครับเรื่องการก่อสร้างในทําทำอินเนี่ย พ่อปลอยพ่อเปิดประตูให้เท่านั้นแหละวิ่งพลุดออกดึงหางไว้ก็ไม่ทันลักษณะอย่างนั้นนะออหลวงตาท่านพูดท่านก็พูดแบบยิ้มยิ้มนะจากนํามานเราก็เนะี่ยหาผู้ออกแบบอท่านดเรเยี่ยมชายฉัดแก้วที่เป็นในช่างรถไฟนะเป็นดรนะนจบจากเยอรมันะท่านให้ท่านออกแบบคํานวณเรื่องวิศวะนะ จึงออกแบบกำแพงของเราเนี่ยโอ้เข้มแข็งแข็งแรงมากนะผลที่สุดพอได้ออกมาเดีวคิดเป็นเงินออกมาเดี๋นี่เกือบยี่สิบล้านโธ่ตายเราจะทํำยังไงวะเงินมันไม่ใช่ถูกแ น, น่นอนเราก็ไม่เคยเห็นเงินล้านอีกต่างหากเห็นแต่ล้านแต่กําสนะพานไงมันในเงิน20สล้านกําแพงเอาอย่างไรกันวะ เราก็ไม่กล้าตกลงใจไม่ต่างกล้าตัดสินใจเนี่ยนี่แหละอันนี้แหล ะ, นนละคือหลวงพ่อเขารบอง์หลวงตานะหลวงพ่อเข้าไปอีกขโอกาสพ่อแม่กุญจานย์เอารับผูรับเหมามาประมูลดูแล้วเนี่ยสามสี่ห้าบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่านี่ยยี่สิบล้านอ่ยี่สกว่าล้านยี่สิบล้า น, านนะเป็นอย่างน้อยครับผม แล้วพ่อแมู่กุรย์จะสร้างไหมครับผมแล้วจะสร้างน่ยจะให้จะจะทําจะทําทีละน้อยละน้อยไปหรือว่าจะทํำยังไงครับผมคือจุดประสงค์ของเราเนี่ยกลัวหลงตาไม่มีเงินพูดงนะ่ายๆฮะพอยี่สิบล้านเนี่ยทําเหมาทีเดียวแล้วเขาทำมาลุก ม, มาตุ้มหลงตาไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงเนี่ยเราเป็นทุกข์กับหลงตานะเพราะเราไม่มีเราก็จนใช่ไหม พ่อแม่คุญจาจะให้ทำทีเดียวหรือว่าจะให้ทำเป็นช่วงๆครับผมท่านก็เ น, น่งเขาจะทำกี่ปีล่ะประมาณสามปีครับผมมันยาวหมดทั้งหมดมันหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตรครับผมสามปีเหรอกรับผมยี่สิบล้านใช่ไหมใช่ครับผมมึเอาเอาเลยทำ<อ>เลย ทำให้นั่นเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องช้าแนละ้ทำให้เร็วไปเลยที่มันจะเร็วได้แต่ทำให้ดีนะทำให้ดีให้แข็งแรงครับผมเราก็ออกมาโอ้แสดงว่าหลวงตามีเงินอยู่แล้ววะเราก็นก็แหละจ้างมาจ้างบริษัทก็ลงมือเลย่นี่พอเสร็จแต่ละสองร้อยเมตรทีไรกันเนี่ยพออสุจิตเนี่ย น, น, น, น, น, นั่งอยู่ต่อหน้านมาตรวจงานด้วยกันกันาะ ก็เข้าทาดีกาเขาไปเบิกจากโขงหลวงตาเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดทั้งสองปีกว่านะงานจึงได้สำเร็จรุ่งลงมาได้เป็นกำแพงเนี่ยนี่แหละคือหลวงพ่อทําอะไรนะหลวงพ่อไม่เคยลืมตัวสรุปแล้วคือต้องเคารพในในองค์หลวงตาไม่เคยขอไม่เคยขอจากองค์หลวงตาถ้าท่านให้แล้วก็รับแท่านไม่ให้แล้วก็ เราก็ไม่เคยขอท่านแต่สรุปแล้วก็คือวัดของเราเนี่ยได้มากกว่า ท, ทุกวัดนะในบรรดาลูกศิษย์ที่ท่านให้ให้ลูกศิษย์นะเพราะเราได้ทั้งกําแพงด้วยทั้งได้เขื่อนด้วยสะน้ําด้วยที่ลงตาท่านก็ยังบอกว่าถ้าต้องการขุดสะนะมีที่ไหนในวัดนะก็เอามาเดี๋ยวเราจะเราเดี๋ยวเราจะให้เราจะช่วยนะท่ หลวงตาที่ท่านเมตตากับวัดของเราเพราะนั้นมาถึงโค้งสุดท้ายเนะี่ยหลวงตายเห็นไหมลูกศิษย์ลูกหาก็มีตั้งมากมายแต่ไม่ลุงพ่อไม่ได้ยกหลวงพ่อนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยทํางานอะไรกับหลวงตาเนี่ยทําอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ลูกหลานฟังเนี่ยนะทําด้วยความเคารพเอยแล้วก็ไปกราบเรียนท่านมีอะไร อ, อแต่ท่านก็ยังพูดทั้งพูดกับ คนบอกว่าเรื่องการเงินเนี่ยทำอินไว้ใจได้ท่านพูดอย่างนั้นได้นะจากนั้นเนี่ยท่านก็เล่าว่าเข้าไปทำอะไรเนี่ยบเบิรกเงินแต่ละครั้งถึงจะเบิรกแพงเบิรกเบิร์อราคากำแพงบางทีไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางทีกำแพงบางทีมันไปข้ามคลองอย่างนี้ มันจะต้องได้ใส่เสาเข็มอะไรเข้าไป เ, เราก็บอกว่าจุดนี้จะต้องได้เพิ่มเงินเท่า น, นั้นเท่า น, นั้นเท่า น, นั้นเราชี้แจงให้ท่านฟังละเอียดเลยเจะตุปัจจัยที่เราเบิกมาแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้ก็คือเราทาก็องค์หลวงตาเพราะนั้นท่านโค้งสุดท้ายได้เห็นไหมท่านยังให้พินายก ร, รมหลว ง, งพ่ออีกนะ งานธลีละงานศพของท่านนะท่านยังให้หลวงพ่อเนะี่ยหลวงปู่ฟักองค์ที่หนึ่งหลวงพ่อองค์ที่สองท่านปัญญามุโทโธเป็นพระพลังองค์ที่สามท่านหลวงพ่อหลวงพ่อวันชัยเป็นองค์ที่สี่นอะท่านหลวงตามอบัยนะี่นะความเป็นมาของวัดว่าหรือว่าวัดป่านาคำน้อยของเราเนี่ยนะกับองค์หลวงตาเกี่ยวข้องกัน ถ้าสรุปแล้วก็คือหลวงตาท่านให้ความเมตตาแต่เราก็น่นะเคารพ อ, อดในองค์หลวงตาแต่เมื่อหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงเงินกระถินผ้าป่าของเราหนึ่งพวกเราก็คงจะจำได้พวกเราก็มีแต่ท่มซื้อทองคำเข้าคลังหลวงหมดทั้งเงิน ทองคำเข้าคลังหลวงในวัดของเราเนี่ยร้อยกว่ากิโลนะั้นลูกหลานนะร้อยแปดกิโลที่เอาถวายหลวงตาแปลว่าในช่วงนั้นเราไม่ได้ก่อสร้างอะไรเลยล่ะเหมือนได้มาเท่าไหร่ก็ถวายหลวงตาซื้อทองคำถวายหลวงต า, า, งตาทั้งนั้นเลยนี่แหละแต่ามาโค้งสุดท้า ย, ยหลวงพ่อคนนี้นะหลวงตาจุตินิ่ราผ่านไปพวกเร า, เาที่เป็นลูกเป็นหลานปวงพ่อก็เลยรับเลยนะนะ เมื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยรับที่จะถวายองหลวงตาเนี่ยสล้านบาทแต่หลวงพ่อคิดว่าคำพูดของหลวงพ่อเนี่ยคงจะไม่ฟุ้งเฟอ้อเวอร์เกินไปเพราะอะไรเพราะหลวงตามาช่วยวัดรเราเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังลูกหลานก็คงจะมองเห็นได้ว่าหลวงตาใี่ท่านเมตตา ให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายในรับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านวัตถุเนี่ยมากทีเดียวนะพวกเราจะคืนให้ท่าน น, น, นิดๆหน่อยๆเพียงแค่นี้นะหลวงพ่อว่าไม่น่าจะหนักหนานะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อไน้พูดแนวความคิดเรื่อว่าหลวงตาแนะนำบอกกล่าวหลวงพ่ออย่างไรหลวงพ่ อ, อยึงบอกกับพวกลูกหลานคณะัทาญาิโยมอยู่เสมอว่า ใหญ่กับพ่อกอกับครูนะต้องฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำบอกกล่าวท่านให้แนะนำอย่างไรหลวงพ่อเชื่อในแนวความคิดขององค์หลวงตาเพราะท่านได้ทั้งคดีโลกทั้งทันทันทนทันทั้งทางโลกทั้งทันทั้งทางธรรมทองท่านในธรรมของท่านเราก็ยอมรับทางโลกของท่านเนี่ยก็เฉลียวฉลาด ไม่ในความรู้สึกของหลวงพ่อแล้วไม่มีใครที่จะเหนือองค์หลวงตาที่หลวงพ่อได้ได้ได้เข้าไปสัมผัสในแนวความคิดความเฉลียวฉลาดความรอบรู้เนะี่ยทันคนเนะี่ยหลวงพ่อว่าหลวงตาเนะี่ยหาคนเทียมไม่ได้ไม่มีในความรู้สึกของหลวงพ่อนะแต่คนอื่นอาจจะพูดอย่างอื่นนะแต่สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพอ่อด้น นึกคิดแล้วกเลยเข้าไปสัมผัสแล้วเป็นอย่างนั้นในในความรู้สึกหลวงพ่อนะเอาวันนี้ได้พูดแนวหนึ่งแนวความคิดอีกแนวหนึ่งให้ลูกหลานได้ฟังเอตอนนี้ไปพระสงฆ์อันโมทนาให้พรถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวครูบา ท, ทั้งหลายหิวอาหาร